ส่านสาธุชนเขาจะบริสุทธิ์ใจเรื่องนี้อาตมาที่รับคำแนะนำอยาเจ้าคุณสืบสิทธิพุทธราชนาสงครามบอกให้ทราบว่าทางกรมประชาสัมพันธคือเจ้าที่กรมประชาสัมพันท่านเลยจุวาฯต้องการให้มาพูดเรื่องสามมิตรเจ้ากานคึงเจงที่กรมประชาสัาพันธ์นี้ รัฐบาลมาหลายวาระพัฒนามาแล้วแล้วท่านมิความต้องการให้เราพูดในความสามัคคีพระธรรเชินายเชินเลยของพระพุทธศาสนาเพรว่าตาวมาเองก็ไม่มีการถนัดในการและนำในการพูดโดยการพูดให้ปฏิบัติทจริงของยากันได้ท่านพูดบริสัท ทำได้ออเป็อยากเพราะว่าถ้าพูดจริงๆแล้วมันไม่ได้ผลตามที่เคยเป็นนักเทศมา ก, กนและเทศมาหลายปีการสามารถโดยการเทศไม่มีเทศแล้วบรรดาเป็นพระ้สาสานิทสนมผู้รักตังก็ไม่ได้ผลในการปฏิบัติอันี้เพราะว่าก า, ารพูดด้วยการเทศไม่สามารถจะจูงใจใคนปฏิบัติการได้ กอมาช่ว น, นี้ท่านไปขอร้องก็ยัาลองพูดดูเพราะจะไม่ขอยืนยันทั้งสิ้น่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าสามาีไม่มีพระท่านจะพูดมากอ า, า, า, าจารย์ในสาอาจารย์ท่จะพูดมามากและท่านททรงความรู้ความสามารถท่เนจะพูดมามาก ก็ยังไม่ทราบเรื่องการความสามัคคีที่ท่านต้องการมันมีผลเสียง ใ, ใดแต่ามาเองโดยคนมีความรู้น้อยได้ดุจปัญญาไม่ยากที่ทำให้ท่านไหลายมีความสามัคคีได้ก็อขอพูดกามทฤษิีปัญญาดฤษฎีสตรีมีทำว่าสามัคคีสหมยัยถึงคนที่รักกัน ถ้าความรักกันไม่มีการสามัคคีก็ไม่มีเป็คนรักกันเป็นปัจจัยเกส่ยวับามสามัคคีถ้าจะพูดเรือามสามัคคีก็ต้องพูดเรื่องการแต่ความสามัคคีก่อนต้ร ouais, ู้ว pues, ่าทำไมคนเีสามัคคีกันได้คนเรียสามัคคีกันได้ก็ต้องมันไม่มีการแต่ความสามัคคี การแตะกางสามสัคคีเป็นตัดใจให้ไม่มีการสามสัคคีให้มีวามรัดกันผู้ใจใสา่ายๆทำงไมข้าวทยังไงคนถึงจะไม่เียกันไ่รจะรักกันในข้า น, นี้ก็ข อ, อนำคติในพรูุ้ทธศาสนาซึ่งเป็สานของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา พ, พอสคว การจีงการเป็นปัใจัยที่ทำให้คนรักกันนีพระพุทธศาสนาหนีมากดูความว่าคำนพรองค์สำหรัผู้มีพระท้าเจ้าขอให้คนรักกันทั้งหมดสวางด่างซึ่ทเจ้าต้องการให้คนมีความสุขคนที่ยังมีความรักกันอันดับที่นำมาพูดต่อไปเลยารสเครื่อ ง, ว, องวัดิ คือที่เรียกว่าการให้ทานให้กายสงเากายเยื่อโยนซึ่งอะไรกันมีอยู่เพียงใดก็ยังมีความรักกันเช่นนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนบางคนมีชั้นใหญ่ตอนแรกเขาให้แล้วไม่เคยความรักมีจิตสร้างวิความอัตตังยูไม่รู้ผลผลถ้าจะมีก็ได้แต่ก็มีปริมาณเลยมาก ขณะคนนี่รับว่าถูกวัตถุของจากเราให้ด้วความเต็มใจไม่ใชความเมตตาคามมส่วนใหญ่ก็มีความรักคนนี้ก็ต้องบ่นงนั้กันไม่ใช่รับแล้วจะรักทุกคนถือว่าส่วรับแล้วจะรักทุกคนเมื่อมีความรักเกิดความสา ม, มัคคีความคง ค, ความสุขเ้นีเราก็ต้องมาถอยหลังกัน ว่า้องหาปัจจเป็นเหตุัจจอะไรหนอที่ถึงจะ เ, จเกิดผลเป็นเตล่การให้เป็นปัจจขความรักก็เป็นหตุของความรักคนที่จะไม่รักกันแต่ ร, รักกัสารสมีการเกลียนคนที่ไม่ใช่แล้วะยยทลายทรัพย์คนอื่น าาการยื้อแย่งคดีการทำลายคดีกาล้งหลานทรัพย์ถึงแม้ขอา้านดีคนอื่นดี้ดดคนคนดเหตุนี้มีทาสามสี ก, กมไม่ได้ันนี้ก็ขอท่านจ้รบริษัทหลายผูร้รัไม่โกรจนาราเองว่าส์สมบัติของเราที่มีอยู่ ว่ามีคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลคณะใดคณะหนึ่งมาทำลายทััพย์สิของเราเรามีความร่ำรวยเขาทำให้เรายากจนเรามีกินใช้เขาทำให้เราไม่มีกินไม่มีใช้เรามีกินมีใช้มากเขาทำให้เรามีกินีใช้น้อยเรามีความสุขจากทักย์สินเราหามันได้โดยชับธรรม เขาก็าหาทางแต่งก้ให้เราไม่ได้เป็นเรื่องทางหลายหลายนั้นเราจะขอบคนประเภทนี้หรือเราจะรักตวโลภควา ม, ม, ามากำนัดจะคิดว่าคนอื่นก็จะมีความคิดอย่างอันราเพราะเราก็ประเวนกันมากต้องเกิดคนที่ทำลายความสุขรนคนที่ทำลายสัจจะแล้วคนที่ยังมีความสามัคคีกันได้เข้าปดูข้ อ, ขอนี้ ต้อเว้ข้อที่ทำลายรับถึงเชื่อมกันอะไรกันรับถงของใครใครจะรับังของใครใครก็หวเสนั้นเราต้องเว้ข้อนเสียพยายามยื่นโยซึ่กันกันตัวก้าสเคาะด้วัดศิกางสงเคราะห์วมายถึงน่งใจคนรู้ใจสงเคราะห์กันได้ก็ต้องมีเหตุผลในใจคืนเลย เล่าาสความรักสองศูนย์นาการของสามคนที่เรารู้จักเราจะให้ด้ตองให้พื่อความรักถ้าเราสคยอท่นั้นเราก็มาให้เรารักใคเก็จะให้แต่คนที่เราไม่เคยรู้จักยังขอทานือ้คนนี้ตงทุกข์ใบยากปวดหนาหัน ไม่สามารถจะเดินทางกลับบ้านได้ไม่มีการปล่อยแค่ไม่สบายกระทำหนักไม่มีใครจะช่วยเหลือไม่สามารถช่วยเหลตเองได้อย่างนี้เราเกิดความรู้สานราไม่ใช่ ย, ยังขอบรนดาทาพุทธศาสน์ไม่จะเฉลี่ทั้งหลายหากว่าทุกคนต้องการความสามัคคี ลองเอาธรรมาส่วนนี้ของสมเด็จสัมมาทิ่ฐิเ้าไปใช้สักเล็กน้อยทนลองดูในหมู่คนทัดทอดอาจจะเพาะในบ้านของเราแ้ววงการเช้นที่รงวงทัดทอดเลยกี่คนนะบริการที่โส่ลองดูโสดูว่าทัดเตืนพวกเราที่เคยรักใค่แล้วทม่ชอบันอไปแล้วเราลองเยี่ยงทัดสรของเขา Aquí, ก้ซั่งขอาเบียบียนสัขเขาเราจะเป็นที่รับก่อขึ้นหรือว่าเราจะเป็นที่คนคนที่ส้นเกลียดุดท้ยเราก็จะรับผลที่เส้นเยไม่อยากเขาผ่สมูรณทั่นี้เราก็เปลี่ยนลีลาเ้นใหม่าทนที่จะยืดยังนีบยเก็เลยน ลองเกื้อกูลกันตามกำลังทัพสิ่งที่ย่องนีแค่การให้เลยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้จนหมดตัวต่วให้จนทั้เราเองลำบากค่อยๆให้ตามกาลังทรัพย์ตามกลังปัญญาที่จะส่งคอบันไดการยืนนย่นโยนชื่อเราการเชื่อใจใเกิดคามรักเอาว่าความรักเกิดมีช น, น, นในบทคลุ่มน้อย สมมัดว่าในปตะเพื่อใครทั้งแต่เพื่อเราว่าต่างคนต่างเล่นโยชน์กันเออะท้กัน่นะมะดับแราทีเดียวในบ้านของเราก่อนอย่าเพิ่มในบ้านของเราได้มีคนมีหลายคนอย่าเล่นน้อยก็ต่อเลยสคนขึ้นไปในระหว่างคนสคนในต่างคนต่างไม่เอาวัดไม่อเอาเสียดกันต่างคนต่างเล่นโยชน์กั น, กน ไปผรคนหนึ่งีเทนั้นใช่ต่างคนต่างทอย่างนี้ความสามัคคีก็เกิดไปสมบัตเท่ า, าไรแล้จะตอไปมาทดลองกันใหม่ขยายไปนี้หน่งจากบ้านขาเราหลังเล็กเล็ก็ค่อขยายไปถึงบ้านหลังเล็ก็กหรือ น, น้อยที่อยู่รอ บ, บอบ้านขอเราเอาที่เ้านสบ้าน บ้านไหนเขาขาดสิ่อะไรบ้างเ่าพอจะมีให้ไหมยต่ก็ให้ถ้าเราให้ไม่ได้ทรัพย์ที่มันมีล้วก็ให้การแนะนำอย่างนี้ก็จะเป็นประจัยเกิดการละหากว่าคนทุกคนในประเทศไทยทุกบ้านในประเทศไทยคณะบุคคลทุกคณะในประเทศไทยต่างคนต่างต้อง มีใคว ส, สงเคราะห์ช่วยอะไรกันยืนโยงช่วยอะไรกั น, กนอย่างนี้ความรักก็เกิดขึ้นแก่คนทุกคนทุ ก, ทกเพศทุกไลทุกวง ท, ทุกคณะความสา ม, มาัคคีแล้วก็เกิดขึ้นันดาก็ขอพูดตามความเป็นจริงเพาะความสามัคคีที่บรรดาไดา้พัฒนาไมีท่านพูดกันม า, มากแล้ว การสามไม่ขีมมันก็ไม่ขยันเกดขีมไม่ ว, วาจาดูษาไม่ขีมกันหน้าเกิดหน้ากันยกมือไหวเกิดหน้ากันยิ้ยันจันทร์ใจให้กันในแต่วทว่าการเอาเลียอารับเอาเปิดกนันมันยังมีอยู่การสามไม่ขีก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่จะพ่ายอยู่ เรื่องรัพยินนี่ทาลายคามฉลาดขี้ทำลายฐานให้ดินหนักมามากแล้วอามาจะมีเรื่องมาเล่าเยอะๆสักเรื่องหนึไม่ใช่เรื่องโบราณก า, าเรเป็นเรื่องสมัยอามาอยางล้งาริเวลานั้นอาจจะมาณยู่สุขเซอยู่บ้านอยู่บ้านหนึ่งซึ่งไม่กันนะ านนาาาก า, ารจีบ้านสองบ้านเนี่ยขอโทษมัาจะบ้านเดียวสองบ้านคันรู้วติดกันเราจะบ้านสองบ้านเนี่ยเป็นที่กับน้องผู้ชายกับน้องสาวเมริดามันได้ไล่ะมรณะภาพคือไล่ยาตายให้ราแบ่งทรัพย์สินต้องสองคนให้ให้สองคนเท่าเทียมกันมีนาคนละยี่สิบไร่ มีที่บ้านไองเาสอง ร, ร่เศษว่าไอ้ทันรู้ว่าที่มาติดกันแล้ว่า้านี่และบ้านรนะ้าากวนเอมมีก็ไถ่กอหนึ่งก็ไผ่มันอยู่ในตึกขอบ้านของี่สาแต่ตอนมาก็ไถ่นี่าันได้ท่านก็จะไม่จะไม่ยาวหรนิ้วยืนเส้นียวแล้วก็เป็ไม้อ็ ก็แตกหนอแตกกอแตกลมขยายไมท้ที่ในวิสุทธิ์ก็เข้าในเนื้อที่แคนนอกสายนณะที่เขามีเรื่อกกนนงกันอาตมาก็ได้เห็นเรื่องกันมันลมเข้ามาจริงๆเ้าจะนนับไม่ไถ่ได้ในเขตแคนนอกสายก็ไม่เมกินสิบลำแล้วก็ยังมีหน่อที่ยังไม่เป็นลำอีกประมาณไม่ถึงสามหนอ่อถึงจะไม่เกินสองหนอ่อ ขัดจันได้มาหลายปีมนลายหลาสีเรื่องต่อมาการต่อคราวสามัคคีนี้เกิดขึ้นในทักษิณเล็น้อย น, น, นั่นคืนน้องสาเห็นว่าไม้ไผ่ที่มนลามเข้ามาในที่ของนตนจะเป็นไม้ไผ่ที่พ่อที่แม่ปลูกไว้แล้วก็ไผ่ก้อ น, นี้มันอยู่ในเขตชนบสายเดกก็ต้องเป็นสมบทชนบทสาย แต่มันเลาาน่าเข้าในตัวตั้้ก็ตัดไม้ไผ่ใช้หน่อไม้หนก็กุดห่อไม้ขึ้นีทุ้ดนัมะบิดาจานเขาตอไตัดการเป็นที่เป็นน้องจงเขาหลายตัวให้ใช้เป็นศันรูกระเท็อนแล้ว่อนไหนขนี้าก็ข้ า, ขานไม้ของฉังในให้เทมัน น้าสาก็บอกว่าทําไม้ของพี่แล้วก็อยู่ในเขตด้านของพี่แต่นี้มันลามก็้าอยู่ในเขตด้าของฉันแล้วต้นไม้นี้พ่อและแม่ปลกไว้เราเป็นสมบัติร่วมกันไม้ที่อยู่เขตขพี่ก็เป็นของพี่ที่ ม, มันลา ม, มาในเขตข้าฉันก็จะเป็นของฉันระดับแรกเราแข่งท่านเตือนกันก่นอนต่อมาจากการเตือนก็นไม่ตกลงกัน ก็จจักลายเป็นการเสียงกันทะเาะกันเริ่มต่อรากันลูนกสาวก็ยืนยันไปแจ้งสืบบ้านเจ้งกำ น, นันท่านน้องสาวกลายพักถึงให้ตนขโมยพักสึงให้ตนนั่นเองน้องสาวก็บอกว่าไอ้แม้นี่พ่อกับแม่มันทันทันตัวไว้ือ้พักถึงใบคนทักกูใหญ่ทาไมไม่นเนี่นรามมาถึงบ้านฉก็ต้องถึงให้ฉัน ทางผู่บ้านกำลันจะแนะนำบอกว่าพี่ถูกคนเป็นอย่างนั้นคนไม้ที่อยู่ในเขตของพี่กะเป็นเราะี่ในเขตเขาเลองก็เป็นคนลงท่านพู้เป็นพี่สาวไม่ยอมตอนนี้ระเบิดบาท่านซาตบัยสัตย์ความสามาัคคีนิสัไม่มี ส, นสำนักพี่กัน้องจะมาเป็นยาง้งพี่สาวก็หาทำามามฟ้องน้องสา น้องสาวก็ต้องหาทนายความต่อสู้กับพี่สาวสู้กันไปสู้กันมาอตมาจำได้ว่ า, าไม้ไผ่ไม่เกนสิบลแลวก้นหนอ่อไม้ไม่เกิสงหนอที่รับินเกล้วก็เกินสิบลมันจะเริ่มเป็นสิบสองลำใครสองบ้า น, นต่อสู้เป็นเ ง, งินทองค่ที่นอยู่ไ ม, ม่ทราบกันหมดเล เมื่อมีสติเป็นความเก่ดขึ้นมันถืออย่างเดียวคำว่าช น, นะยังไงก็การขันต้างช น, นะในวิสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายไครเป็นชนะเขาชื่อชนะแต่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเขาดูแพ่ง ม, มันนานเร่องจิตใจไม่มรูเ้เราะทราบไอ้จริงจริงไทยหลังมาทั้งสองบ้านเนยนาที่พ่อแม่ให้คนนี้ยึดไว้หมดตู้ความกันหมด ที่บ้านคนอันสองไร่เส็จหมดขายชู้ความกันบ้านอีคนันหลังก็หมดขายชู้ความกันนเรื่องที่ต้อยกจากทีวิตกันจะตัดเล็กๆไอ้สายที่จะได้เขาอยู่จะอาศัยที่จะได้เขาเท่าทไม่ได้ด้วในบรรดาเพื่อสถาบันทำไม่สามารถที่นี่เราพูดกันได้ ก็ต้องรูเหตุของความ ส, สามะคีด้วยการแต่งการแต่ราวาสามะคีตปว่อนที่ท่านให้แนะนำมาใช้พูดเรื่องความสามะคีเฉพาะนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าความพูดที่พูดไปจะมีเสียงขึ้นมาบุคคลผู้รับฟั ง, งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านพูรับฟังเท่ากันก็คว า, ามสมามะคีไม่เป็นไรแต่เกีดกงจะแพรก เพราการเห็นกับตัวนือคือกระจายกระแความรักความรักจะเกิดขึ้นและถูกทำลายลงว่าความเห็นกับตัวและความแลควางที่ตัวใช้กันถ้าหากว่าบรรดาท่ า, านผู้ศึาชลิเรกทนทุกคนมีจมิตเมตตาจรนถ้ า, าื่อเมตตาคือต่างคนใจเห็นหน้าต่คนต่ตัง้ต ง, ต ง, ตงใจรั คิารไกันเราต้อรักกันเาเป็นเพื่อนมนุษมโลกร่วมกันเรา้อรักกันเพราะการเกิดกันนี่เป็นสัตว์กันไม่ัยงควาสุรไสวเกิดกันมันเป็นหตความทุกม่งก็มดูสึกจนน้อยก็มดูสึกหลับก็มดูสึกตื่นมดู ถ้าเรามีศัตรูจะมาทำร้ายจะกระจายอำนาจไปอันตราเจะมงองความว่าเราทำลายความสุข เ, เราเองไปเลยบุคคลคนหนึ่งถ้าเราไปศัตรูกับบุคคลคนเดียวยอยากคิดว่าศัตรูของเราจะเป็นจะมีทั้งคนเยวบคุคคลนั้นคนหนึ่วอย่าลว่าทุกคนมียากมีที่มีลูก ม, มีเพื่อน ถ้าเทรเรื่องคน้เราเท่าพ่เราเท่าเขา เ, เร า, าเาพี่เรากันเราเทากัเขาเทา้ากันเาเ่กเราเท่ากันราเท่ากนเาเัเ่ากนาเ่ากเรา่ากันาเกนเรกันเราากันเรา่านาากนกันเรเนราเม่าราเากันกันเาท่กันราเท่ันเรเ่ากันเราเากัไท่ากัเราานาทเ่กากราากนราารทัราากัน่านร่ัาเคานันท่าัเรากัเานเร่ากราเท่ร่ร่าันเา ยาจะไม่เกดาคนเป็นสัตว์สุขุมเป็นไปใครขีอยากจะเป็นสัตวกับเราก็เป็นเรื่องของเขาเราอยู่ในกลังใจต่างความรสกท่ามมานเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันเรารักคนเราดความเคยรักชีวิตอันให้เราเปลียนเรารักเ่องให้เราเปลี่ยนเราเราก็จะรักใคเียน ถรารักษาถึงเงื่อนไาเียงไดแล้วก็ขอว่าจะสืบทอดถึงเลย่อนไขเชียนั้นนอกจากนั้นภาพเชียงด้วภาพพิจารยาให้พิจารณาคืเราให้เกีียวทางกำลังที่เราจะเกลียดได้ถหม้ขาดปัจจัยเชิเงินทองเล็กๆๆน้อยๆพอเพียงเพื่อที่จะได้เาก็ได้ถ้าทำอย่างนี้บรรดาท่านทุกท่านทั้งหลาย อย่าค่ยๆส้างความรักในส่วคนเนส่น ค, คนไม่กีคนในความรักนส่วนคนไม่กีคนมก็จะค่อย ข, าขาายายแต่กำลัยใจเาจเจ้าออก ค, ความดีเข า, อาเอาเพื่อสืบแท้าจากปากให้บุคคลได้รับการสืบสู่ได้รับการสืบและถ้าบุคคลนั้นเป็นคนดี ให้ไปท่านทางไหนก็มีห็ใจสงสารเรืงเง่องยอดประการดีเท่าไรเมือ่อคนนั้นดีนะเอื้อคนให้ขาดนึกก็ให้ขาดไหก็ให้ตกำลังเพราะว่าการให้บดาลกะ็ะมีกำลาติย้รับเพื่อจะทราบวาการให้มีกระตเรียกมีันเราบริจาสงกว่าโยยาให้ชาวบคคลท่เป็นไท บริการหนึ่งการทางกำลังใจที่แสนมีตาจิตคิดเมือเราจะรักกับเขาเขาก็ราจะเป็นคนรักกันั่นแหลว่าโยยาคิดที่สติอก่อนคนที่เป็นสติองถเราคิดเม่อราจะเจ้าคนกับเาเราจะเจ้าคิดทำใหมใ่ก่อนเพ่อหมายความว่าเรายังจะไม่คิดเจ้ากับคนที่เต เขาได้ยังโาอยูงโกะยังมีอยู่เขาไปคิดเกี่ยวกับคนเิถเรา้คิดึ้นมาไม่ไจตาย้ามองแะบบุคคประเทนี้เขาจะมีเขาจะมีมากเขาจะมีน้อยเาจะรวยเขาจะจนเขาจะเป็นเขาจะตายยังไงปล่อยาจะงคิอาป่วยในักเราคิดเกี่กับสู ถ้าคิดขึ้นมาแล้วแทนคิดจะเชอหรือสอบจอยากเพราะว่ตายใจเราจะตามหมอรื่งเรื่องคำว่าเปเดือดร้อคิดอาจะเพราะคนที่ไม่เคยเป็นปฏเราว่าบุคคลคนใดที่ไม่เคยเป็นปฏิเสเราเราจะเชื่อคนเราจะมีความรักต่อบุคคลคนใถ้าคขาจะทำตัวยากรความโงสัยเาจะตายคนใดที่เราจะผูก ค่อยๆ้างกำลังใจเพร่อิกก้นม้แบบนี้ารรมาพูดใปพูดมาพูดาใจที่แยังหนักจจเลยว่า ไ, ไ, ไอ้คํามพูดธรราพูดไปเันจะมีผลไหมเพาการพูดให้คนฟังโดยพูดให้คนฟังในฐานะเป็นนัเทศนาประมาณยี่สีก็ไม่ทราบว่าคนาทีน่สังพูดนาเป็นคนดีกติัน เรื่อง้ายจุดเดียวท่คนเเป็นคนดีได้ไม่ได้แค่แต่การแนะนำคือว่าปฏิบัตินำพูดน้อยๆแต่ปฏิบัตินำให้มากเราทกันเองดีกันเพียงแค่นน้อยจะรู้ว่าจะมาเป็นคนดีเพิ่้นความดีจริงๆามีไม่ถึงในอถ้าเกิดกคนในเรื่องความดีที่จะทนี การที่มีบรรดาาพุทธบริษัทมาปฏิบัติธรรมงเจ้าทีวัดไทยส่งอะกันมาอยู่มากันมาตรงนี้เพราะว่าอายมามีข้อวัดปฏิบัติเล็กเล็กน้อยที่หลงเจ้าเยสอรยู่พุทธเจ้าเคยสอนมากว่าจได้น้อยปฏิบัตได้น้อยถ้าข้อวัดปฏิบัติเล็กเล็กน้อยนั่นแหละปฏิบัตินัน ให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างนี้ได้ผลยความสา ม, สมนาคีนีจะมาันธนาาตจะเกิดสายะกันถว่าเยเกิดควายสา ม, สมนาคีจริงแล้วก็แพบ้างแม่บ้านเลอนทากันก่อนต้งปฏิบัตินำลุกบ้างทุกคนในบ้านเพราะว่าเป็นหมู่คณะห น, หนาหมู่นาอะไรก็ปฏิบัติก่อน ถ้าเป็นเรืองเขาจะนำเพร่ก็เป็นประเทศก็ต้องคนน้าเมืองคนหน้าเพรนหน้ า, ราประเทศปฏิบัติคนแรกหลักแรกทันทใจเงกคนนี้เป็นคนมีความเมตตาใจหจึ่ยังยาคิดไรับเอาเปรียบพกคนที่มีกาลังอ่อนกว่าไม่มีทรัพย์สิน น, สน้อยกว่ายาทำลายผลไรลได้อันจะยังประโยชน์ให้เขา็นความประโยู่ของเขา เขามีรายได้มากอยคิด ท, ทำลายให้เขามีรายได้น้อยถ้ามีาเาจองตัวดีอยากคิดทำอะไหรห้เขาหลายตัวไปคิดอย่างเี้ว่าทำอย่างไรว่าเราจะทำให้บุกคนนี้ถ้าเยร่ญมากทำให้เขื่อรวยเขืรวยน้อยเข่อทำให้หรวยมากถ้า่อรมากย่แล้วทำให้กำลังทำรวยทรงเสือยสส อ, ยอย่างนี้บรรดาท่านบริษัทความสามัคคีมีมาก เพราะว่าพ่อหว่าพ่อบ้านพ่อเมืองพ่อเพ่พ่อตำ บ, บลคนนบือพ่อคนในบ้านแม่คนในบ้านต่คนต่างาไม่มีความรักไม่มีควาส า, สามาัคคีต่าคนต่างเห็นตัวเอารับอาเทีคนชายในชายในบ้านเอารับอาเทียนชายในบ้านเอารับอบ เ, เอทียนเพ่เชคน ลายทัพย so like, so so ์สินขปรชาชที่มีคามมั่งคั่งสมบูรณ์ได้มีความยาป็นได้จะมีจิงหรือไมใถ้าัขหลายตัวไปจากรัพย์สิเพื่อใดก็ตาม่างนี้ความสามารถีเกิดได้มันจะเกิดขึ้นได้ด้วการแตกการสามัคคีไม่ซีเรยสเดียวกันอะรดายากโยกเพื่อมาับสัมองดูเวลาถืว่าหมดแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไก่อน ขอความส่งเชนวับวิพากชนะมงคนสมมูรณ์คุ้มึยังมีเดือนกันยาจนสาสาพุทธษาสนิกชนได้รับส่องใจสวัสี